แววเสียงสวรรค์เล่มสี่โดยพรรัตน ส, สุวรรณสิงอ่านโดยโจโชวัวคำนำแววเสียงสวรรค์ในเล่มนี้ในเรื่องเกือบทั้งหมดได้มาจากการแสดงนิทัศกาลการติด ต่อทางวิญญาณที่ทางสำนักค้นคว้าทางวิญญาณได้จัดขึ้นและส่วนมากเป็นเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านได้มาแสดงเป็นกันแรกเมื่อวันมาคะบูชาพุทธศักราช 2,504 โดยวิธีการเข้าทรงเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จทั้งหมดมีเจ็ดกันแต่ทั้งนี้ไม่นับกันพิเศษอีกการหนึ่ง คือเทศนาเรื่องคถาชินบัญชรซึ่งหลวงพ่อสมเด็จได้มาบอกโดยวิธีการเข้าทรงเช่นเดียวกันเมื่อวันมาคะบูชาพุธศักราช 2,505 แต่เรื่องนี้ได้ยากทำออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหากคือเรื่องสิ่งศักดิฐฐฐฐฐฐฐฐ์สิทธิ์ภาคสองเพราะฉะนั้นถ้าจะรวมทั้งหมดแล้วก็มีถึง8กันเฉพาะในเล่มนี้ได้รวบรวมมาพิมพ์ไว้ทั้งหมด7กัน นอกจากนี้ก็ยังมีเทศนาของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าอีกหนึ่งกันพระโอวาทของสมเด็จพระมหาธิราราชเจ้าคําพูดของท่านมหาตรรมคารทีคําพูดของท่านเอ็ดวินและของเทพเจ้าชั้นสูงมากอีกองค์หนึ่งซึ่งถ้าบอกชื่อก็จะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแต่เนื่องจากท่านยังไม่ประสงค์ที่จะให้เปิดเผยชื่อของท่านเพราะเกรงว่าผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจะออกมาในรูปที่ไม่สมควรเพราะยังไม่ถึงเวลา เป็นอันว่าเนื้อเรื่องในหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มสีนี้เกือบทั้งเล่มเป็นเรื่องที่ได้มาด้วยการติดต่อโดยวิธีการเข้าทรงเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะไม่เหมือนกับทั้ง3ามเล่มที่พิมพ์มาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องพิเศษอีกสองสาเรื่องคือเรื่องการพิสูจน์ศพคุณสุทธิชัยชินสุวะพลาและเรื่องข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งลงข่าวว่านักวิทยาศาสตร์สามารถทําการติดต่อกับวิญญาณได้สําเร็จ เทศนาต่างๆ ต, ตลอดถึงคำพูดของโอปปาติกะองค์อื่นๆนั้นถ้าท่านผู้อ่านผู้ฟังจะพึงฟังพึงอ่านด้วยความพินิจอย่างถี่ท้วนแล้วท่านจะรู้สึกว่าข้อความทั้งหมดที่ได้มาด้วยวิธีการเข้าทรงนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตความรู้ความสามารถนิสัยใจคอต่างๆก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม นอกจากนี้ท่านยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังจัดตายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้เรารู้แจ้งว่าคนเราเกิดมาจากวิญญาณคือเกิดมาจากวิบากและจะต้องเป็นไปตามวิบากนารกสวรรค์มีจริงซึ่งหลักธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนทุกคน คนที่เคยศึกษาในทางคริสตศาสนาและมีความรู้อย่างดีนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการที่คริสตศาสนามีคนนับถือกันทั่วโลกเป็นศาสนาใหญ่ศาสนาหนึ่งและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในโลกนี้เป็นอย่างมากนั้นก็เพราะพระเยซูหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วได้พิสูจน์ให้สาวกทั้งหลายเห็นแจ้งว่าพระองค์แม้ตายแล้วก็ยังทรงมีชีวิตอยู่ และสามารถที่จะให้ความคุ้มครองให้คำแนะนำและเรื่องอื่นๆอีกมากความเชื่อที่ว่าพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่อันนี้แหละคือหลักสำคัญที่ทำให้สาวกทั้งหลายเกิดศรัทธาในคำสอนของพระองค์และเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆเป็นผู้ที่สามารถจะให้ชีวิตนิรัน์แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้จริง การพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชีวิตหลังจากตายมีจริงๆและชีวิตนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยวิญญาณอาศัยกรรมของแต่ละบุคคลอันนี้คือรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเรามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองและในที่สุดก็สามารถจะทำตัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้พยายามที่จะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ออกมาให้ขาวสะอาด และก็เชื่อว่าเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จและของเทพเจ้าองค์อื่นๆเท่าที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ถ้าหากท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังมีความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าข้าพเจ้าได้มาด้วยการเข้าทรงที่สมบูรณ์แบบไม่มีการหลอกลวงหรือการหลงผิดแทรกแซงอยู่แม้แต่น้อยก็ย่อมจะทำให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังเกิดความเชื่อได้อย่างสนิทในเรื่องชีวิตหลังจากตาย แต่ถึงกระนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยอีกว่าการติดต่อทางวิญญาณด้วยการเข้าส่งนั้นเป็นไปได้อย่างไรทำไมบางคนจึงเป็นคนส่งได้แต่คนส่วนมากเป็นไม่ได้และการเข้าส่งในที่ทั่ ว, วไปทำไมจึงทำให้คนทั้งหลายเกิดความสงสัยไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงและในที่บางแห่งก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องหลอกลวง ทั้งหมดนี้มีเหตุผลอย่างไรก็มีอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดหลักฐานเกี่ยวกับการเข้าทรงเท่าที่นำมารวบรวมไว้ในเล่มนี้ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ 100% เปอร์เซน์แต่ก็เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในปัจจุบันนี้พรรัตนสุวรรณ10มีนาคมพุทธศักราช2531 สำนักค้นคว้าทางวิญญาณ47ทับ2ถนนสัมเสนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์2822025เข้าตรอกข้างร้านตัดเสื้อมิชาย